ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องยักษ์ชังเมตตาอายะกูตะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคม2546นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ ลองฟังชาดกเบาเบาสมองสักเรื่องไม่รู้เบาสมองหรือเปล่าเหชื่อว่าอายะกูตะชาดกแปลกดีเขียนอออ่างยอยักษ์สองตัวนะเอออายะกูตะชาดกใช้ชื่อภาษาไทยว่ายักษ์ช่งเมตตาคือยักษ์เนี่ยเกลียด เกียรติความมีเมตตานั่นเองลองฟังเรื่องดูนะเรื่องนี้สั้นๆพระพุทธองค์คราวเมื่อประทับอยู่หน้าพระเชตวันมหามหาวิหารทรงได้เล่าถึงพระมหาเมตตากรุณาของพระองค์ในชาติการก่อนที่ทรงประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายเอาไว้นะขึ้นต้นเรื่องมาสั้นๆตรงนี้แหละ คือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้านาะที่ช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายแล้วท่านก็เล่าเลยในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพานครพรารานสีพระอัครมเหสีของพระองค์ทรงตั้งพระพระคันได้ทรงประสูตรโอรสพระองค์หนึ่ง ครั้นทรงเติบโตเจริญวัยแล้วทรงศึกษาเรียนรู้ศิลปศาสตร์ทั้งปวงได้อย่างแตกฉานทรงเพียบพร้อมทั้งพระปัญญาและความกล้าหาญต่อมาพระเจ้าพรหมทัสสวรรคตพระโอรสจึงได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติทรงครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาผู้ทรงมีพระมหาเมตตากรุณายิ่งหนัก นี่อย่างรวดเร็วเลยนะปรากฏว่าเนะติบโตโอรกสกษัตริย์นี้เติบโตจนกระทั่งได้ครองราชเพราะว่าพระเจ้าพมทัศสวรรคตก็ในสมัยนั้นประชาชนทั้งหลายส่วนมากมีความหลงผิดเป็นผู้เชื่อถือเทวดาเป็นมงคลเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอันนี้คือสมัยก่อน ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือเทวดานั่นเองแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ยังนับถืออยู่นับถือเทวดานี่คือพวกอะไรฮะที่จะเรียกว่าเทวดาเนี่ย <c oughs> อ่าถ้า <c oughs> ใช่ถ้าเราพูดโดยโดยเขาเรียกว่า ตัวตนบุคคลน่ย น, นะถ้าเราพูดโดยตัวตนบุคคลเนี่ยก็หมายถึงนับถือเทวดาก็คือนับถือคนที่ดีคนที่มีศีลคนที่มีจิตใจประเสริฐแล้วคนที่มีจิตใจสูงแล้วอันเนี้ยที่ถูกต้องแล้วเนี่ยใช่ถ้านับถือเทวดาอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขานับถือเทวดาแบบไหนกันนะฮะที่ ท, ท, ทีเป็นเป็นมาเนี่ยทัวทั่วไป ที่เราเรียกว่าเทวนิยมอ่ะนับถือแบบไหนเช่นนับถืออะไรบ้างพระเจ้าสิเจ้าอะไรบ้างอ่ะเอาเท่าที่เราดึกได้เอาอันนั้นอันนั้นไปสารประภูมิละที่เป็นเทพทั้งหลายเนี่ยอะไรบ้างอ่ะที่เขานับถือเนี่ยโอ้โหพวกนี้ไม่เคยเลยเหรอออ นะถ้าเป็นแบบเหมือนอย่างของอินเดียมาก็ผ้าอะไรบ้างพระอิศวนบั่งผ้าซีวาม้งางพระนาลายมังมม่งพระโพล์มอ่ะผ้าอะไรอีกอะเยอะแยะเลยใช่ไหมโอ้โหเทพนูน่นเทพนี่เทพที่ที่อะไรอ่ะที่บางทีเรายังไม่ค่อยจะคุ้นเลยซ้ําไปเยอะแ ย, ยะเลยนะมากมายเพราะฉะ อ, อนันนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังนับถือเทวดาเป็นมงคลคือถือว่าเป็น ความโชคดีนะมงคลเนี่ยแต่กลับพากันผิดศีลนิยมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นแพะแกะไก่หมูเพื่อนำมากระทําพีกรรมบวงสรวงแก่เทวดาทั้งหลายสัตว์จำนวนมากจึงต้องได้รับทุกเจ็บปวดทรมานถูกเบียดเบียนทำร้ายทุกวันทุกวัน นับถือเทวดาซึ่งเรารู้แล้วที่จริงเทพเนี่ยเทวดาควรจะเป็นอะไรคนที่ดีใช่ไหมคนที่อะไรอะ่ะจิตใจสูงแล้วเป็นคนที่มีศีลอะไรอย่างนี้อันท่านหน้าเคารพ ก, กับไหวแต่ไปไปม า, มานี่ชักจะเลอะเทอะหลังๆนี่กลายเป็นอะไรเทพบางทีเทพกาลีเท พ, เทพอะไรต่ออะไรที่เป็นเทพ ความชั่วร้ายอ่ะโอ้ก็นับถือฮกลายเป็นเหมือนกับไปนับถือพูกผีปีศาจไปนับถืออะไรเนะี่ยแล้วก็เส้นไหว้บวงสรวงอันนี้นี่คือพวกเทวานิยมทั้งนั้นอยู่ในขายของเทวานิยมบางทีเขายังเรียกว่าพวกนับถือผีพวกศาสนาผีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทวะจริงเนี่ยเป็นเทวดาจริงน่าจะหมายถึงสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่จเจริญและพัฒนาแล้วนะเป็นความถูกต้องเป็นความดีงามไม่ใช่ไปในทางชั่วร้ายทุกวันนี้ไปๆม า, มาบางทีไปนับถือซาตานไม่ใช่นับถือพระเจ้านะนับถือซาตานมีอะไรนะไปโน่เลยไปไสยศาสตร์ไปเวทมนต์คาถาอะไรแบบที่มันมันเป็นสิ่งเร็วๆร้าๆอ่ะหรือเขาเรียกว่าไสยเนี่ยก็คือมนต์ด กลายเป็นพวกอย่างนั้นไปอันเนี้ยมีเยอะเลยด้วยส่วนพวกที่นับถือถูกต้องนับถือดีจริงๆเนี่ยแม้เป็นเอาเป็นเทวนิยมก็ได้แต่เป็นเทวนเทวนิยมที่ดีงามอะที่ถูกต้องกลับจะน้อยไม่ไม่เท่าพวกที่ไปนับถือพวกสยศาสตร์พวกอะไรที่มันผิดๆซะมากกว่านะตอนนี้ก็เมื่อคนเราเนี่ย นับถื อ, อยังไม่ถูกตัวไม่ถูกทิ่ถูกทางเพราะนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการที่จะฆ่าแล้วเอามาเส้น mm. เขาเรียกว่ามาเส้นมาบวงสรวงมาอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะเรื่องนี้มีมาแต่โบราณแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็มีมาก่อนหน้าแล้วจนกระทั่งดึกดาบันมีมายาวไกลเหลือเกิน มันสมัยก่อนเนี่ยถึงจะเป็นศาสนาของพวกผู้ปีปีศาจอะไรพวกนี้ซะเยอะเชื่อถืออะไรอย่างต่างที่มันไม่เข้าท่าอาเสร็จแล้วตอนนี้ปรากฏว่าชาวประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อพระราชาทรงทราบเหตุอย ง, งนี้แล้วด้วยน้ำพระทยัยที่ประกอบไปด้วยพระมหาการุณาทั้งแก่ประชาชนที่หลงผิดและแก่สัรพสัต ท, ทั้งหลาย จึงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองเป่าประกาศทั่วแว่นแคว้นว่าจงงดเบนจงเลิกขาดไม่ควรฆ่าสัตว์มีชีวิตทั้งปวงประกาศเลยไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้คนทั้งหมดจึงกระทำตามพระราชบัญชาไม่ใช้เครื่องเส้นไหว้วงสวงด้วยสัตว์ทั้งหลายเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ทําให้บรรดายัก ยักษ์ละคราวนี้ยักษ์คืออะไรอ่ะพูดโดยธรรมาธิฐานฮนะยักษ์หมายถึงอะไรอะไรนะพวกพวกพวกมีกิเลสมากๆ อ, อะไรนะพวกเจ้าพ่อพ่ออะไรล่ะแหมเจ้าพ่อที่อาจจะดีก็ได้นะ อันนี้หมายถึงพวกเจ้าพ่อที่ไม่ดีใช่ไห ม, มจริงๆถ้าแปลง่ายๆเนี่ยยักษ์ก็คือคนที่มีจิตใจที่ยังไม่ได้มีศีลธรรมนั่นเองนะเราหมายถึงยักษ์พูดบ่อยๆว่าโดยทั่วไปเนี่ยบางครั้งเราก็คนที่น่ายักษ์หมายถึงยังไงฮะคำว่าน่ายักษ์นะเป็นยังไงอะ อ, อ, อาจจะ บ, บางทีโหเขียยงอกหน้าเขียยงอกออกมาที่ริมพีปากนะโกรธบ้างโมโหบ้างอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายักษ์แต่ยักษ์ในในที่นี้จริงๆเนี่ยหมายถึงคนที่ยังไม่มีศีลนะหมายความว่ายักษ์เพราะฉะนั้นพอพระราชานีประกาศไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้นมาปาั๊บเนี่ยทำให้บรรดายักษ์ที่เคยได้กินเนื้อสัตว์เป็นเครื่องบูชานั้น ต่างพากันไม่ได้เนื้อสัตว์เป็นของเส้นไหวจึงโกรธแค้นชิงชังพระราชายิ่งนักได้ไปรวมตัวกันที่หิมมวันตะประเทศเวลาฟังเรื่องชาดกเนี่ยถ้าบอกว่าหิมมวันตะประเทศหมายถึงฮะหมายถึงอะไระหมายถึงป่าหิมพานนะ ให้รู้ไว้บางทีเราได้ยินแต่คาว่าป่าหิมพานหิมพานพอเจอหิ ม, มวันต่ประเทศน็ง ง, งให้รู้ไว้ว่าเหมือนกันเนี่ยบรรดายักษ์ทั้งหลายนี่นะคราวนีอ้อดกินเครื่องเส้นที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ชอบใจละนะโกรธแค้นก็เลยรวมตัวกันแล้วคราวนี้จะประท้วงนะปรึกษาตกลงกันแก้ปัญหานี้ โดยจะส่งยักษ์ตนหนึ่งที่หยาบช้าแล้วก็ดุร้ายให้ไปฆ่าพระราชาองค์นี้ทิ้งเสียน่ะคิดแล้วนี่เหมือนมาเฟียเดะเลยนะนะเรียกว่าไม่ถูกใจไม่พอใจแล้วนี่ขัดมาขัดผลประโยชน์เพราะนั้นส่งคนไปเก็บนะถ้าพูดภาษาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ส่งกระจกกระจกไปได้ไงใช่ไหมก็ต้องส่งประเภทเขาเรียกว่ามือพการ คือคือมืออาชีพชนิดที่เรียกว่าไปแล้วต้องจัดการได้สำเร็จแน่นายักดุร้ายตนนั้นจึงถือกระบองเหล็กใหญ่อันเท่าช่อฟ้าโอ้โหรู้จักช่อฟ้าหรือเปล่าใครไม่รู้จักช่อฟ้ามังรู้จักหมดเลยใช่ไหมอยู่ตรงไหนช่อฟ้าฮอยู่บนลังคา นะส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกวัดนะที่โบสถที่อะไรพวกเนี้นะชอบฟ้าก็ที่เราจะเห็นเป็นอะไรอะ่ะงอนงอนเนะี่ยงอนงอนขึ้นมานะาตุมตุมหน่อยจะเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนคออะไรสักอย่างกันนะเอออย่างงั้นอนะ่ะเออเหมือนหงส์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะ ต, ตรงนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าชอบฟ้าอันนี้ยักษ์ยักษ์กตัวนี้นะบีกระบอกเหล็กใหญ่ เนีอันเท่าชอบว่ามาปรากฏกายอยู่เหนือพระแท่นบรรทมของพระราชาในระหว่างมัชชิมมยามมัดชิมมยามแห่งราตีมัดชิมมายามก็คือเวลาประมาณเท่าไหรสี่ทุ่มถึงตีสองเขาเรียกว่ามัดชิมมยามถ้ายามต้นเนี่ยมัดชิมนี่มันคือยามตรงกลางถ้ายามต้นนี่ก็คือตั้งแต่ 6. กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะถ้ายามที่2ก็คือ4ทุ่มถึงตีสถ้ายามที่3ก็คือตีสอถึง6กโมงเช้านะอันนั้นนะ่ยเนี่ยยาม1่ยาม2ยาม3จำมาไว้อ่าอาจจะใช้ปสมมะสมมยามปดมมมามมัดชิมมยามแล้วก็ดอมาชิมมยามแล้วก็ปัดชิมมะยาม แต่เราพูดง่ายๆกับยาม1นึ่ยามสยาม3ตอนนี้พอปรากฏว่าเนี่ยมาปรากฏกายตอนโอ้โหสทุ่มถึงตีสอนี่นะมาอยู่ที่ตรงที่อะไรอ่ะพูดง่ายเตียงนอนของพระราชาเนี่ยขณะนั้นเองที่ประทับของเท้าสักกะจอมเทพก็แสดงอาการร้อนดังไฟลนเท้าสักกะจอมเทพนี่หมายถึง หัวหน้าของหมู่เทวดานะหรือบางทีก็คือภาษาทั่วไปเาเรียกพระอินทร์พระอินทร์ท <c oughs> ้ า, าส ก, กัดจอมเทพนะแต่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าเราพูดโดยโดยธรรมะโดยภาษาธรรมะจริงๆก็คือคนที่จะเป็นหัวหน้าของหมู่เทวดาได้เนี่ยหมู่เทวดาคือคนที่ดีคนที่มีจิตใจสูงเพราะฉะนั้น คนที่จะเป็นหัวหน้าของคนที่ดีคนที่จิตใจสูง<ม>ก็จะต้องถือว่าอะไระต้องถือว่าสุดยอดแลนะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ประทับของเท้าสักกาจพพกอมเทพก็โหร้อนดังไฟลนเหมือนกับอะไรมีลางบอกเหตุมีสิ่งที่จะมาทาให้รู้ว่าเอมันชักจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วตามลิเกอ่ะ น, นะใครเคยดูลิเกบ้าง อ่าเขาจะร้องแล้วคราวนี้อ่าพระอินอยู่บนพระแท่นก็ชักขยับไปขยับมาออแล้วก็อะไรชักร้อนร้อนอาดก็เรียกว่าร้อนที่นั่งแหละนั่นแหละแล้วพอร้อนที่นั่งเสร็จแล้วไงฮะส่องทิพปปเนธอ่าก็ต้องส่องทิพเน์ก็คืออะไรตาทิปตาทิปจริงๆแล้วหมายถึงอะไรเอาเอาโดยภาษาธรรมอ่า ตาทิพย์นี่หมายถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหัวหน้าของคนที่สุดยอดของคนดีอย่างเงี้ยมาส่องทิปเปเนตนี่คืออะไรละ่ะเ ล, ง ย, เลงยานเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ส่องทิปเปนตอันนี้ไม่มีในบทหรอกนะอันนี้อาตมาพูดถึงลิกเกอ <c oughs> เขาก็จะมาบอสแม อาตมาจำสำนวนเข้าไม่ได้แล้วเขาจะร้องเนี่ยเขาจะร้องอะไรที่พระที่พระอาตแต่ก่อนมาที่ที่พระอาตเคยอ่อนแต่ก่อนมาบัดนี้แข็งดังศิลาเลยนะกะ็กระด้างดังศิาลาแล้วเขาก็จะร้องไปเขากนะ็จะเป็นนั่นนะ่ะจนบางทีเราจะยินบ่อ ย, อ, ยอันนี้หมายถึงว่าคนดีด้วยกันเนี่ยถ้าถ้ารู้ว่ามันเกิดเทมันเกิดเพศภยัยมันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมากับผู้คน หรือจะไปเกิดอะไรไม่ดีกับคนดีเนี่ยมันมันใจนั่นแหละมันจะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยคืออาการที่เหมือนกับโดนไฟรนรนอาดก็คือรนที่อยู่รนรนที่อาศัยของเราลวเราฉันจะรู้สึกว่าอยู่ไม่ติดแล้วจะมานั่งนั่งเฉยเฉยนอนนอ น, น, อนกินกินไม่ได้ละสมมุติเนี่ยอา้าวมีคนประกาศว่าเอาเกิดเหตุเกิดอะไรที่นั่นที่นี่นะ ยิ่งถ้าเราอยู่ในใกล้บริเวณเร า, mm. เ, ราเราสามารถรู้เห็นได้จะปล่อยให้มันอะไรอะ่ะเสียหายปล่อยให้มันพูดง่ายจิบพายวายป่วงไปอะไรอย่างนี้โอ้โหมันไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนดีเนี่ยมันมันวางตรงนี้ไม่ได้เพราะคนดีเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันเกิดเหตุเพศภายอะไรถ้าสามารถจะไปช่วยได้จะไปช่วยจะไม่ปล่อยไว้หรอกนะอันนี้ให้รู้คุณสมบัติของคนดี หรือเอาง่ายๆเนี่ยเขาประกาศว่าอา้าวตอนนี้ขอร้องว่ามีงานด่วนมีงานสำคัญเกิดขึ้นนะขอให้ร่วมแรงไปช่วยกันทำไห้นั่นทำไห้นี่เ้ราเราเองบางทีเอองานเราพอวางมือได้หรืออะไรได้เราก็วางแล้วเออไปช่วยไปช่วยเขาก่อนอันเนี้ยเป็นคุณลักษณะหรือว่าเป็นนิสัยของคนดีที่จะมีความเมตตามีความกรุณาที่จะช่วยเหลือคนอื่น จะไม่ดูดายจะไม่แบบว่าเฉยไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะเขาจะฝนตกจะน้ําท่วมจะอะไรอะ่ะออ <c oughs> อุเบคาเหรอ <c oughs> ไม่อุเบคาหรอกเขาก่อนจะอุเบขาต้องเมตตามาก่อนเมตตากรุณามุติตามาก่อนถึงจะไปถึงอุเบคาทีหลังเพราะถ้าโดยของพุทธเนี่ยมันจะคิดแล้วนอกจากว่าเราเองเราก็โอ้โห มันเหนือบ่าฝ้าแรงมันไปไม่ได้จริงๆอันนั้นก็ยกไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะใจมันจะอันั้นละยังไงก็ต้องไปช่วยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะท้าวสากาัจอมเทพก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจึงทรงตรวจดูสาเหตุทันทีเมื่อทรงทราบเหตุนั้นแล้วจึง ท, ทรงถือสายฟ้าเป็นอาวุธสเสด็จไปประทับอยู่เหนือศีรษะของยักษ ในทันทียักษ์เห็นแล้วก็ตกใจกลัวคือคือยักษ์เนี่ยไปอยู่ที่หน้าแท่นบันทมของพระราชาแล้วใช่ไหมตอนนี้นะแล้วก็ถือกระบองเหล็กใหญ่เตรียมและจะจัดการพระราชาแต่ถ้าสกัดจอเทพรู้ปับ๊บรู้ปั๊บเสร็จก็ไปอยู่เหนือหัวยักษ์อจริงนี่เป็นทอ ด, ทอดแล้วนะตอนนี้ยักษ์มาเรียกว่าเตรียมมาเอากระบองฟาดพระราชาแล้ว อ, อยู่ อ, อยู่เหนือกว่าพระราชาแล้ว แต่ทา้าวสกัจอมเทพนี่นอยู่เหนือยักษ์อีกทีหนึง่งนะยักษ์มีกระบองเหล็กเป็นอาวุธแต่ทา้าวสกัจอมเทพนี่มีสายฟ้าเป็นอาวุธสายฟ้านี่เป็นอะไรวัชิระเนี่ยสายฟ้าเป็นแสงสว่างอ่าเป็นอะไรอ่ะฟ้าแลบเหรอ ไม่ได้ทั้งกันแหละฟ้าแหลบฟ้าผ่าฟ้าอะไรเยอะแยะนะฮะเป็นพลังเป็นพลังเป็นความสว่างคือจะพูดให้ฟังว่ายักษ์เนี่ยมีกระบองเหล็กนะเป็นอาวุธนะโอ้โหทั้งหนาทั้งหนักทั้งทึบทั้งทึบมาเลยเจส่วนพระอินนี่พระท้าส ก, กาจอมเทพมี ไม่มืดทึบนะมีความสว่างนะมีกำลังแรงไฟฟ้าแรงสูงนะ ม, มีไฟฟ้าแรงสูงมาเลยเป็นสายฟ้ามาเลยตอนนี้ฝ่ายพระราชาทรงรู้สึกพระองค์ก็ตื่นจากบรรทมขึ้นเช่นกันครั้นมองเห็นยักษ์ยืนอยู่เหนือที่บรรทมของพระองค์ไม่ได้ทรงมีอาการหวั่นไหวสะดุ้งกลัวแต่อย่างใดได้ตรัสถามยักษ์ไปว่า ท่านคือผู้ใดกันมายืนถือกระ บ, บองเหล็กอันใหญ่โตเช่นนี้เพื่อจะคุ้มครองเราหรือเพื่อจะฆ่าเรากันแน่ก็าถามถามให้รู้อะไรรู้ปีรู้คุยก่อนว่าปีหรือว่าคุย <c oughs> อันนี้ยักษ์ก็เลยตอบเราเป็นทูตของยักษ์ถูกพวกยักษ์ส่งมาที่นี้เพื่อจะปรงพรชนของพระองค์ แต่เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาอยู่บนหัวของเราคอยคุ้มครองพระองค์อยู่ทำให้เรามีอาจที่จะทุบพระเศียรของพระองค์ให้แตกกระจายได้คือเลยแม่กาทุบหัวพระราชาพระราชาทรงสดับเช่นนั้นยิ่งแ ก, กล้าอาถานตรัสว่าเพราะเราเป็นผู้ประพฤติดีมีศีลเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพ ย่ำทรงคุ้มครองรักษาเราแน่มิฉนั้นแล้วพวกยักษ์และปีศาจก็คงคุกคามเราสัตว์ทั้งปวงตายหมดเราจึงไม่ได้กลัวเกรงอันใดต่อพวกเจ้าเลยแม้พวกยักษ์ดุร้ายหน่าเกียดและพวกปีศาจน่าสะพึงกลัวจะโหยหวนคร่ำครวนกันไปก็ตามเถิดกิริยาที่มาหลอกหลอนให้หน่ากลัวต่างๆนั้นมีอยู่เป็นอันมาก แต่เราก็ไม่กลัวเลยแม้สักนิดพวกเจ้าทั้งหมดไม่สามารถจะสู้รบกับเราได้เด็ดขาดรังแต่จะพินาศไปหมดสิน้นคือพระราชาองค์นี้แก้วกล้าอาถารมากเลยไม่กลัวยักษ์ไม่กลัวพูดผีปีศาจอะไรทั้งหลายนะจะมาทามาสร้างภาพมาหลอกมาหลอนอะไรยังไงพูดง่ายๆว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวาดกลัวเลย ไม่เหมือนบางคนนะพอตั้งตบาบะไปเสร็จพอตั้งตบาบะไปเสร็จนะจะไม่กินขนมพอขนมเริ่มมาเท่านั้นเองนี่พอขนมเริ่มมาเป็นไงชักหัดนไหวแล้วชักจใจอ่อนแล้วถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสู้ยักไม่ได้พอบอกแล้วจริงๆยักก็คือกิเลสของเรานั่นเอง ายากเนี่ยถ้าถ้าพูดโดยคราวนี้พูดโดยสภาวะของตัวเราเองเพราะบางครั้งเราก็เป็นเป็นยากซะเองแหละตอนไหนเราทําดีเราก็เป็นเทวดาใช่ไหมตอนไหนเราทําไม่ดีเราก็น้ายักษใจยักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างยี่เนี่ยพอเวลาเราเจออะไรอย่างยี่เราคิดดีแล้วเราตั้งตบาบะไว้แล้วศีลอย่างยี่ก็กําหนดไว้แล้ว เราก็อะไรอ่ะอยู่ในฐานะนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลายักษมันมาเนี่ยกิเลสมันมาลอ่อมาหลอกเราถือกระบองมาบอกเอา้าถ้าไม่ทําตามนี่ตีสมองเละเลยนะเอา้าถ้าไม่ทําตามอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราเหอะเดี๋ยวอยักษ์มันก็เอาเหตุผลต่างๆมาเยอะแยะเลยเอาเฮ้ยนะนะวันนี้พึ่งๆเข้าพรรษาเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาจริงใหม่เนี่ยอย่างเงี้ย บางคนจนะโดนยักฟาดสมองบวมไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เลอะแค่บวม <c oughs> บวมเสร็จแล้วบวมไปบวมมาก็เสรในที่สุดก็เอ อ, เ อ, อไว้พรุ่งนี้ไว้พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้กินก่อนอย่างเงี้ยแพ้ยักไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเองเราจะต้องเข้าใจให้ได้อย่าไปแบบว่าไปใจอ่อนอะไรกันนะักแล้วจริงๆเนี่ยคนที่จะสู้ยักได้เราก็ต้องรู้สิ โดยเฉพาะยักษ์ตัวนั้นอ่ะกิเลสตัวนั้นอ่ะยิ่งเป็นสักกยะของเราเ น, นี่ยมันยักษ์ใหญ่มันไม่ใช่ยักษ์แครนะยักษ์แคร์มันก็ตัวเล็กๆหน่อยใช่ไหมไอ้ น, นี่มันยักษ์ใหญ่โอ้โหมันเป็นสักกยะคําว่าสักยะเนี่ยหมายถึงนี่แหละแหมโอ้โอยิเลสตัวใหญ่ตัวเบ้งเลยเพราะฉะรู้อยู่แล้วว่าเรานี่จะสู้กับยักษ์ใหญ่นะแล้วถ้ามัวมาอ่อนแอมัวมาขี้คลาด มัวมากลัวโกโกกโวงเงี้ยเอา้วมันจะไปฆ่ายักษ์จะไปสู้กับยักษ์ได้ไงสู้ไม่ไหวหรอกเพราะนั้นเนี่ยต้องใจถึงถึงเหมือนพระราชาพระองค์เนี้ยใช่ไหมตื่นมาโหเห็นยักษ์ตัวเบิลมเทมถือกระบองอยู่เงี้ไม่สะดุ้งเลยไม่วาดกลัวฮะกล้ยบดชีจะทําอะไรเราได้ข้าวต้มมัดจะทําอะไรเราได้เอ <laughs> ใช่ไหม โ, โทษเอ้ย ไม่ใช่พอเห็นบ้าปูโโหตอนแรกก่อนหยิบนี่เราคือยักษ์ใช่ไหมมันมันคือมดแหมพอมาพอเห็นมันเท่านั้นเองอะ่ะมองไปมองมามองไปมองมานะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยมั น, น, ลมน ก, ลม ก, กลายเป็นยักษ์เรากลายเป็นมดเลยคนนี้นะเอาจริงๆนะอันนี้เรื่องใจนี่มันต้องใจถึงถึงใจต้องกล้าถ้าไม่กล้าอย่ามาตั้งตาบะัตตั้งตาบัตเนี่ยบอกแล้วเรากำลังสู้กับยักษ์แล้วตอนนี้ ถ้าเราชัดเจนตรงนี enfin ้ได in ้เนี่ยมันถึงจะสู้ได้แล้วเราไม่ต้องห่วงสู้กับยักษ์เนี่ยมีท้าสักกาจอมเทพกุ้มคองอยู่แล้วเท้าสักกาจอมเทพคืออะไรอ่ะเนก็ไปตั้งตาบากับใครไม่บ้างนะตั้งตะบากับสิกขมาตตั้งตาบากับสมเณินตั้งตาบากับสมนณะก็นั่นแหละแลมีเท้าสักการจอมเทพคอยคุ้มครองอยู่แล้ว พรยังไงเนี่ยพอเจอยักษ์เขานะดูท่าจะสู้ยักษ์ไม่ไหวแล้วรีบมาหาเท้าวส ก, กัดจอมเทพให้ช่วยหน่อยสิอา้ามีสายฟ้าอยู่มีสายฟ้าโดยเฉพาะท้าวส ก, กัดจอมเทพใหญ่เนี่ยถ้าไม่ไหวจริงจริงก็ไปเลยอันนั้นน่ะปู้มีสายฟ้าในวาทะอยู่แล้วรับรองเลยเดี๋ยวเปรียงสองเปรียงท่านะเออเดี๋ยวยักษ์ตาย เปี่ยงสองเปี่ยงนะก็คงจะเข้าใจนะแต่มาพูดอย่างเงี้ยอันจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องมีผู้ช่วยบางครั้งเนี่ยเราเองเอกําลังจิตกาลังใจเราอาจจะไม่เข้มแข็งพอนะต้องอาศัยสิเรามีเทวดากุ้มครองอยู่อ่ะทําไมไม่รู้จักใช้งานเทวดาบ้างอา่ก็ไปหาสิลืมไปเหรอ <c oughs> อ, อ๋อไปยังไม่ทันถึงเนะ เ, ออเทวดาก็ไม่รู้สิถ้าแหมเป็นท่าสักการจอมเทพนี่เออถ้าทิพอาจร้อนแล้วก็รู้ใช่ไหมเออจะได้มาช่วยทันไอ้นี่บางทีโอ้โหทิพอาจยังไม่ทันร้อนเลยแมมเสร็จยักษ์ไปเสก่อนแล้ว